ธรรมบทแปลเรื่องที่94เรื่องพระพระหุปุตติกาเถรีภาคที่สเรื่องที่14ของวรรคที่8ศาสวัตวรรณน า, นาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระพระหุปุตติกาเถรีตรัสพระธรรมเทศนานิว่าโยจะวสสตังจีเวเป็นต้น ได้ยินว่าในตระกวลหนึ่งนกกุงสาวัตถีได้มีบุตรเจ็ดคนและธิดาเจ็ดคนบุตรและธิดาแม้ทั้งหมดนั้นเจริญวัยแล้วตมรงอยู่ในเรือนได้ถึงความสุขตามธรรมดาของตนสมัยอื่นบิดาของชนเหล่านั้นได้ทำกาละแล้วมหาอุบาสิกาถึงเมื่อสามีล่วงละไปแล้ว ก็ยังไม่แบ่งกองทรัพย์ให้แก่บุตรทั้งหลายก่อนครั้งนั้นบุตรทั้งหลายกล่าวกำมารดา น, นั้นว่าเมื่อบิดาของฉันล่วงลับไปแล้วประโยชน์อะไรของแม่ด้วยกองทรัพย์พวกฉันไม่อาจบำ ร, รุงแม่ได้หรือนางฟังคำของบุตรเหล่านั้นแล้วก็นิ่งเสียถูกบุตรเหล่านั้นพูดบ่อยๆจึงคิดว่าพวกลูกๆจกบำ ร, รุงเรา ประโยชน์อะไรของเราด้วยกองทรัพย์ส่วนนี้ได้แบ่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดครึ่งหนึ่งให้ไปครั้งนั้นโดยการล่วงไปสองถึงสวันภรยาของบุตรคนใหญ่กล่าวกับแม่ผัวนั้นว่าโอคุณแม่ของพวกเรามาเรือนนี้เท่านั้นเหมือนกับให้ไว้สองส่วนว่าบุตรชายคนใหญ่ของเราแม้ภรยาของบุตรที่เหลือ ก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันตั้งแต่ที่าคนใหญ่ก็กล่าวกับ น, นางดุจเดียวกันแม้ในเวลาที่นางไปเรือนของทิดาเหล่านั้นนางถูกดูหมิ่นคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในสานักของคนเหล่านี้เราจักเป็นนางภิกษุณีเป็นอยู่แล้วไปสู่สานักของนางภิกษุณีขอบรระชาแล้วนางภิกษุณีเหล่านั้นให้บรรบชาแล้ว นางได้อุปสมบทแล้วปรางกฎชื่อว่าพระหุปติกาเถอรีนางคิดว่าเราบวชในเวลาแก่เราไม่ควรเป็นคนประมาทจึงทาวัดปฏิบัติแก่นางภิกษุณีทั้งหลายคิดว่าจากทาสมณธ ร, รรมตลอดคืนยันรุ่งจึงเอามือจับเสาต้นหนึ่งที่ภายใต้ประศาสเดินเวียนเสานั้นทาสมณธรรม แม้เมื่อเดินจงกรมก็มือจับต้นไม้ด้วยคิดว่าศาีรษะของเราพึงกระทบต้นไม้หรือที่ไหนไหนในที่มืดดังนี้แล้วเดินวนเวียนต้นไม้นั้นทำสมณธรรมนึกถึงธรรมด้วยคิดว่าจากธรรมตามธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงตามระลึกถึงธรรมอยู่เทียวทำสมณธรรมลำดับนั้น พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีเทียวทรงแผ่พระรัศมีไปดังประทับนั่งตรงหน้าเมื่อตรัสกับนางตรัสว่าประหุปุติกาความเป็นอยู่แม้ครู่เดียวของผู้เห็นธรรมที่เราแสดงประเสริฐกว่าความเป็นอยู่หนึ่งรปีของผู้ไม่นึกถึงไม่เห็นธรรมที่เราแสดงเมื่อจะทรงสืบ อ, อนุสนรีที่แสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่าโยจะวัสสตังจีเวอาปะสั่งธรรมมุตตะมังเอกาหั่งจีวิตังเสโยปัสะโตธรรมมุตตมันติกกอผู้ใดไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมพึงเป็นอยู่หนึ่งรปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้น แกอดับดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าทำรรมมุตตะมังได้แก่โล ก, กุตรธรรมเก้าอย่างก็โล ก, กุตรธรรมนั้นชื่อว่าธรรมอันยอดเยี่ยมก็ผู้ใดไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมนั้นความเป็นอยู่แม้วันเดียวคือแม้ขณะเดียวของผู้เห็นคือแทงตลอดธรรมนั้นประเสริฐกว่าความเป็นอยู่100ปีของผู้นั้น ในการจบคาถาพระพหุปุตธิกาเถรีดำรงอยู่ในพระอรหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายดังนี้แลเรื่องพระพหุปุตธิกาเถรีจบสหัสวรรณน า, นาจบวรรคที่8จบภาคที่สี่